桥那困死。 พอดังก็ลืมล้างความ หลวงให้เรามองนมนนีหรือใจคนพอดังก็ลืมลง